พวกเราก็ได้ส่วนะมหาสติตประธานทดสอบ น, นะแบบย่อๆนะแล้วพวกเราก็ได้เจริญสตินะแบบเต็มๆวันใชนะ่ไเนี่ยมันก็ที่จริงถ้าจะว่าย่อๆจริงๆน ะ, นะที่เราส่วนให้ก็ให้มีสตินะมีสติไม่ว่าจะ ยืนเดินนั่งนอนมีสติฟูเหยียดต้นไหวนะั่ให้มีสตินะั่เมื่อมีสติแล้วมันจะเป็น น, นะนั่นก็เข้าใจไหมถึงมีสุทธพิจารณาถึงกายในกายอยู่เป็นประจันะพิจารณาถึงเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจําพิจารณาถึจิตในจิตอยู่เป็นประจันะทำในธรรม่ะ ก็่ะนักายในกายนะกายในกายก็คือเราเห็นรูปหเห็นกายมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงนั่นแหละนะนนเช่นรูปหายใจเข้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิดรูปหายใจเข้าแล้วก็รมปหายใจเข้าก็ดับไปนะดับลงเกิด ร, รูปหายใจออกขึ้นมารูปหายใจออกก็ดับไปเนี่ยเนี่ย รูปที่เดินนะมันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปมันหยุดนะแล้วก็มีการเกิดรูปที่มันเกิดมันเกิดมันดับก็ดับไปเรื่อยนะเหมือนเรายกมือเลื่อนไปลงมามีรูนที่เคลื่อนเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดรูปที่หยุดนะขึ้นมารูปที่หยุดก็ดับลงเมื่อมีการเคลื่อนขึ้ขหม่ อันนี้คือเราเห็นกายในกายถ้าเรามีสีิอาจจะเห็นเนี่ยอ๋อรูปมันเกิดทีละขณะแล้วก็ดับลงแล้วกเกิดเกิดรูปใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ดับลงไปเรื่อยๆอย่างถ้ามัน ค, คล้ายๆอย่างที่เขาว่านะั่ะแต่เราต้องไม่เคยทำเองหลักนะที่เขาบอกการวาดรูปสมัยก่อนที่วาดรูปประตูแล้วก็ทาเป็น เป็นหนังเป็นโทรทัศน์เขาบอกตือนหนึ่งว่าดรูปแล้วมันให่มันต่อกันที่มันต่อไปเรื่อยแต่จริงมันเป็นคนลรูปแต่พอมันซ้อนๆกันมันก็เลยกลายเป็นรูปเคลื่อนไหวเยป็นดีเดโอลเป็นหนังขึ้นมารูปนี้ก็เหมือนกันนะมันคือถ้าเราดีสติเราไม่ได้เห็นเห็นรูปรูปใดรูปหนึ่เกิดขึ้นมาทุกอย่าง ก็นดตัดไปทั้งหมดเวทนาก็เช่นเดียวกันะเวทนาความสุขเกิดขึ้นมาความสุขก็ดับลงความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ดับลงความเฉยเกิดขึ้นความเฉยก็ดับลงเวทนาก็แสดงอาการเกิดดับที่เห็นเช่เดียวกันจิตก็เหมือนกันนะจิตที่มันคิดเกิดขึ้น แล้วก็มันก็จะคิดก็มีจิตที่มันโกรธเกิดขึ้นจิตที่ไม่โกรธก็เกิดขึ้นสลับไปเรืเนะ่อยๆคือดูว่าจิตที่โกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงจิตที่คิดเกิดขึ้นมาก็ดับลงหรือแม้แต่ทามาต้องปรัชนาต้องหมั่นจันทร์นะความสงสัยเขาเป็นอิปอร์ทำยนะังไงสงสัยเกิด ข, ข, ขึ้นมา สงสัยเดอดร้อนไหมสงสัยก็ไม่เดือดร้อนสงสังยสหนึ่งแล้วก็ดับไปคิดหาคำตอบ ต, ตอนนั้นไม่ได้สงสัยนะเป็นคิดเป็นปรุงแต่งเองแบบนั้นคือคือจริงนะเนี่ยกายในตายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือเราเห็นอาการเกิดดับของสภาวะต่างๆเราเห็นส่วนไหนอ่า เห็ตัวไหนนี่ชัดตัวไหนก็แสดงตอนนั้นเราก็ดูมาตรงนั้นแหละนถ้าเราดูไปเร้่อยอกายสัจจะว่ากายนะมันเป็นแบบนี้เองนะเวทนารสัจจะว่าเวทนาก็เป็นแบบนี้นะจิตสัจจะว่าจิตธรรมสัจจะว่าธรรมเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปมากกว่าการเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงของทุกสภาวะคือทุกสภาวะแสดงสิ่งเดียวกัน แสดงธรรมชาติเดียวกันเดียวกสภาพธรรมชาติของการเกิดและสัตว์ไม่มีไม่มีอะไรเลยมากกว่าแบบนี้คือถ้าจิตนะจิตมันเข้าไปเห็นเข้าไปรู้สึกมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นั้นให้ความรู้สึกที่ว่ากายนี้มันเป็นเรานใจนี้เป็นเรามันก็จะคลายออกไปเพราะว่ามันเหที่จริงเป็นสัจว์่ว่าลูกมันเกิดมันดับ นะความที่เราไปไปยึดติดนะไปถือนะในรูปในเวทนาในจิตในธรรมมันก็พายออกไปนะที่ว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกในที่นี้ก็คือกายใจเนี่ยแหละนะถอนความพอใจความไม่พอใจในรูปนะเวทนาจิตธรรมนี่ยแหละออกไปได้ เราตื่นสุขเป็นทุกเพราะเราพอใจไม่พอใจกับอาการที่เขาแสดงนี่แหละเราไปหลงกับอาการของมันเนี่ยเจริงอาการมันก็เป็นแค่สภาวะที่มันเกิดมันตัดนลยถ้าเราเห็นว่าอาการมันเกิดมันตับเลยความพอใจความไม่พอใจมันเกิดตัดเหมือนกันนะไปยึดไปยึดเอาความพอใจความพอใจมันต้องอยู่ในนาฬิกามันก็ตัดไป ไปยึดความไม่พอใจความไม่พอใจก็อยู่ใน่นานดับ ก, ก, ก็ดับไปไม่มีอะไรที่ยึดได้นะแต่ถ้าเราหลงไปยึดในจริงๆแล้วก็เป็นทุกขเป็นทุกข์ไปนะถอนความพอใจด้วความไม่พอใจคือก็อมีสตเิเห็นเห็นเฉยๆนะมันมันไม่ไปปรุงต่อเห็นแล้วก็หยุดลูกนะเช่นหายใจเข้าก็เห็นแล้วไม่ ไม่มีอะไรมากเลยแล้วถ้าเหน็นหายใจออกมันก็เห็นแล้วเห็นมันเยียบลูกพอเหยียบลูกรู้สึกตัวก็จบแค่ตรงนั้นลูกขเขก้าวใหม่ก็รู้สึกตัวมันก็จบตรงนั้นมันด้เห็นไหมนะอ๋อลูกมันก็มันเป็นทีลกษณะทีลักษณนนะหรืออาการของจิตก็เหมือนกันนะัรนีประจิตได้เยียบ แต่เราเห็นจิตมันไม่เห็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่เพราจิตมันไม่เห็นอ่ะมันเลยเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเนะ่เหมือนกับความฝันเหมือนกับที่ยายนาะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าจิตได้เห็นอ่ะเห็นเป็นแต่ยิบยับยิบยับเนี่ยเออมันไหวเหมือนก็เคลื่อนเนี่ยเป็นไหวเป็นเคื่อนเป็นยิบยับยิบยับไม่ไม่ แยกไม่ได้ว่ามันเป็นกุศลหรือกุศลแยกไม่ได้เป็นาอารมณ์อะไรมันแค่รู้สึกว่ามันเพื่อนออกไปจากฐานฐานจริงๆของจิตคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ปกติอาการของจิตมันเคลื่อนไปเพราะที่จริงนะธรรมชาติของทุกอย่างนะพระเจ้าท่านสรุปมีแค่สี่แค่สี่อย่าง ธรรมชาติในโลกนี้นะมีรูปมีจิตมีเจตสิกแล้วก็นิพานรูปนะก็คือกายเนี่ยรูปนะตายนี้บ้างที่นีเก็ส่วนตัวรูปที่เป็นวัตถุ ข, ข้างนอกเนียตอนทังโลกเนะี่ยก็คือรูปนะทั้งจากประวาลจักรวาลใดก็เป็นรูปอย่างหนึ่งทุกอย่างก็เนี่ย่งนึมีรูปแล้วก็มีจิตนะ นี่คือธรรมชาติเพียงแค่รับรู้ธรรมชาติเพียงแค่รับรู้เิยๆแต่อาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตน่ะเรียกว่าเจตสินะเกเนียเจตสิกเนี่ยมันเกิดมันดั บ, ม, ดบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะที่ไม่ได้เปลี่ยนดับมันเกิดดับที่ลักขนนะที่โกรธเมื่อสักครู่นะี้หรือโกรธขึ้นมาใหมนะ่ไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมนะมันก็ไม่ได้่ความโกรธตัวเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าตัวเดียวมันทํางานสองครั้งสาครั้งโกรธเมื่อกี้มันก็จบแล้วโกรธใหม่มันขึ้นมาใหม่มันเป็นตัวใหม่นโอเคไหมบางทีเราเป็นทุกข์ใจเพราะบางทีทําไมมันคิดเรื่องนี้ทันอีกแล้วทําไมมันโกรธอีกแล้วนะเอทําไมรู้แล้วมันไม่หายเมื่อกี้มันดับแล้วทำไมกัมันอีก เราคิดว่ามันเป็นตัวตื่นตน ต, ตัวเดิมแสดงซำแล้วซ้ำเล่าแต่ที่จริงถ้าเราเก็บ น, นะอไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มันจบไปละมันก็แค่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาที่อาการคล้ายกันเหมือนกับลมพัดลมมันพัดไปในลมของต่แคร์นะยนะมันออกไปแล้ว มันก็ออกมาใหม่มันก็ออกมาใหม่จะว่าลงที่พัดถูกตัวเราเป็นลมตัวเดียวที่มันพัเหมุนมากระทบตัวเรามันก็ไม่ใช่มันคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาเกิดมากระพบเกิดมาแล้วรับรู้เรารู้สึกอาการของเจตสิกก็เป็นเหมือนกันนะบางทีเราติดทุกข์เราไปเครียดเราไม่พอใจเพราะที่ว่าทำไมรู้แล้ว มันยังไม่จบสักทีนะคำไหนไม่หายทักทีนะที่จริงมันเป็นเพียงแค่อาการใหม่ที่เขาแสดงให้เราเห็นอาการเก่าก็ดับไปแล้วนะอาการใหม่ก็เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเจติติจิตมันเกิดขึ้ น, นทีละขณะทีละขณะทีละดวงทีละดวงนะไม่ใช่จิตดวงเดียวพลิกไปพลิบมานะไม่ใช่จิตดวงเดียวที่ไม่ใช่เหมือน กระดานดำกระดานเขียนอันนี้แล้วก็ลบใหม่แล้วเขียนอันใหม่เข้ามาแทนที่ไม่ใช่ที่จริงมันมัมนมีแต่สภาวะเกิดแล้วก็ดับไปทีละขณะนี่คือเจตติตนี่พานก็คือสภาวะที่แต่นิพานเนี่เหนือการเกิดดับนะสภาวะอือนะ่นเป็นสภาวะเกิดดับแต่สภาวะนิพาน เนือการเกิดการตักนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีตัวไม่มีที่ตั้งมีแต่สภาวะที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสภาวะที่มันไม่สามารถบรรยายได้นะแต่เป็สภาวะที่เราสัมผัสได้แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มันจะต่างจากกฎของไตรละนะักษณ์เนาะธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามเนี่ยมันตกอยู่ในกฎของตอไตรลักษณ์เว้นในเที่ยงเว้นเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนแต่สภาวณิพานเนี่ยเป็นสถาวทิทเที่ยงเป็นสุขแต่ก็ไม่ใช่ตัวตน เ, เร า, ารในธรรมะติณิพาเนเป็นของเราได้ แต่นิพพานไม่มีเกิดดับไม่มีไม่มีสภาวะความทุกข์ทไหนนิพพานเัมนั้นนยเราภาวนานะคือเพื่อให้มาเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้เรื่องของรูปเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของนิพพานนะจับไม่ได้พูดไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราคอยมันรู้สึกตัว ความรู้สตัวเนี่ยมันจะเป็นตาภายในเป็นตัวตาภายในที่จะทําให้เราเห็นเห็นกายในกายนี่และนะแต่ก่อนเราเห็นกายเป็นเป็นตัวเราเป็นของของเรานะเห็นกายมันคืออาการที่มันเป็นเราไปทั้งหมดแต่ต่อไปถ้าเรามีติตมากนเพิเราจะเห็นกายเนีมันก็เป็น เป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาดับลงเกิดสภาวะใหม่ขึ้นมาเวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันนะแสดงตัวนี้แหละเมื่อเราเห็นตัวนี้ยบ่อยๆจิตมันจิตมันยอมรับความจริงตัวนี้ได้นะ oh. ที่เราลงผิดนะคำว่าธาตุชาไม่ใช่แต่ว่าเราไม่รู้ แต่อภิชารปลว่าเรารู้ผิดเราเห็นผิดนะอภิชาเนี่ยรู้ไม่ถูกนะเมื่อมีอภิชาก็เลยเป็นเมื่อมันเห็นผิดก็เลยยึดมั่นถือมั่นแต่พอให้เห็นถูกมันก็ถ่ายก่อนยึดมั่นถือมั่อก็ล้มแต่ก่อนคิดว่ารูปมันเป็นเรานะนามเป็นเราเนี่ยคิดว่ามันเที่ยงคิดว่าจะบังคับให้มันสุขตลอดนะพอเห็นอ้อมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ มันเป็นทุกข์่ิวรานะ่ะเพราะจิตมันก็คายความคิดมั่งถือมั่งจบนั่นคือตัวปัญญานะแต่ปัญญามันก็เป็นการเป็นปัญญาที่เกิดจากภาวนาเมย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดนั่นมันเพียงแค่พอเข้าใจแต่มันไม่ถึงใจ <c oughs> ท, ที่จริงจะว่าเข้าสมองมากกว่านะ จำได้แระลึกได้แต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะลึกไม่ได้ปัญญาแบบแบบวัโรกแบบความคิดเนี่ยมันมันระลึกออกมาพูดได้นะระลึกออกมาสอบได้แต่มันระลึกไม่ได้ตอนที่มันมีปัญหาตอนมีความทุกข์นะแต่ถ้าเป็นปัญญาจากการภาวนาเนี่ยสติที่แปลว่าการระลึกได้เนี่ยแหละมันระลึกของมันเอง ปฏิจะลึกของมันเองเพรปัญญาที่กสะสมจากการภาวนาะจากการที่เห็นรูปเห็นนามเ่อยๆมันจะลึกขึ้นมาเองที่เราฝึกเยอะๆฝึกให้มันมีการดลึกจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติตอนนี้เราฝึกให้มันคุ้นชินกับการรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างฝึกให้มันเป็นอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาก็รู้สึกเมื่อใจไหวไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้คนละเกมเปิดให้มันมีสติเป็นอัตโนมัติในการรู้กายเคลื่อนรู้ใจเคลื่อนเนี่แหละเมื่อสติมันเป็นอัตโนมัติครั้นี้มันจะกลายเป็นเป็นสิน่งเป็นสิ่งสิดขาไม่ใช่สิ่งสมาทานเป็นสมาธิ เป็นปัญญาอยู่ในตัวนะมันจะกลายเป็นสติไปรักษาใจเมื่อสติรักษาใจนะสติก็คุ้มครองกายแล้วก็วาจาไปในตัวนะสติดมันสมบูรณ์ตรงนี้นะนะเพราะมีสติรู้ทันเวลามันจะคิดนะเวลามันมีอาการขึ้นมามีสติเห็นแล้วเห็นแล้วมันรักษาที่ตรงนั้นมันจบที่ตรงนั้น มัาดับสายกายวาจาเปนในตัวอันนี้แหละสิงสิงติขาจิตติขาก็ตรงนี้นะจิตมันก็เกิดความตั้งมั่นขึน้นมาะเกิดความตั้งมั่นะ wow. มั่นคงนมีจิตที่รู้ตั้งมั่ น, นขึ้นมานะเห็นสภาวะอาการต่า ง, างๆเป็นสิ่ที่ถูกรู้มีจิตที่รู้เห็นอาการต่างๆมันเกิดขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นนะ จิตเป็นตัวจับไว้ปัญญาเป็นตัวเฉือนเป็นตัวตัดตัดการปรุงแต่งต่อนปรุงจะปรุงอะไรก็ไล้ก็ตัดออกไปตัดออกไปนี่มันก็ตัดปัญญาจะตัวตัดตัดความที่เราไปยึดไปติดอะไรต่างๆขึ้นมาในจิตนี่ยมันก็ทํางานไปด้วยกันนะเราก็เริ่มจากการที่เราฝึกสตินี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้นะคเป็นทางสายเอก <c oughs> เป็นทางสายเอกเป็นสู่พระผลนิพพานนะนะทางจะเนี้ยเป็นทางเอกซึ่งเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนะอาศัยความเพียรเนะาะทำให้มากที่สุดเนะท่าที่ทําได้นะแต่เราก็เน้นที่การทําเหตุนะไม่ใช่ไปทําว่าเราไม่เป็นอะไร ทำเป็นีเฉยอันนั้นเป็นผลนเหตุคือการสร้างสติความรู้สึกตัวผลมันก็คือความไม่เป็นอะไรควา ม, มทุกข์นะไม่ใช่เราไปทําควา ม, มทุกข์นะไปทำให้มันเฉยทําให้มันนิ่งอันนั้นทําไม่ได้อันนั้นเป็นผลนติ่งที่เราทําคือเราทําเหตุทําเหตุไปเรื่อยๆลผลมันก็ทานมาเองนะจากการที่เราทําเหตุให้ถูกต้องนะนัะ่นก็ พูดกันนิดหน่อยนะจากการสวิดมวลนะั่งทำวัดเย็นแนละ้วก็ขยายความนะให้เราได้เป็นแนวทางในการดูในการเห็นในการปฏิบัตินะนะถ้าเราเข้าใจก็มันก็จะปฏิบัติได้ได้ตรงขึ้นนะลงที่ผิดทางน้อยลงนะก็คล้ายๆเตือนไว้เตือนไว้ ถ้าภาวนาไปพอมันเป็นหลงจิตมันจะระลึกเองนะไม่ต้องพยายามจังไม่ต้องพยายามทวนนะครับเมื่อถึงรันหลงเมื่อสึ่นข่าวจนนะจิตมันจะระลึกสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังนะเอามาเตือน เ, เองก็จะทําให้เรากลับมากลับมาสู่ความเป็นปกตินะกลับมาสู่ความไม่ทุกข์ได้นะ่ะการได้ยินได้ฟังก็ช่วย เด้คล้ายๆตะล้อมตาล้องนิดหน่อย <c oughs> นาคมปากไว